ปกติแล้วเนี่ยเวลามีวิยากรมาพูดเขก็ต้องจับไมล์ผมจับไม่ถนัดน ะ, ะมือเนี่ย ม, มันจับไม่ได้หรอกก็ต้องอาศัยขาตั้งใหม่ก็ยังดีกับสมัยก่อนนะสมัยก่อนนี่ก็มีจติธรรมบางท่านเมตตาช่วยถือไมให้ผมพูดผมพูดไปก็เกรงใจ ขาตั้งใหม่สงสารก็พูดนานก็ไม่ได้เนี่ยเพราะก็ต้องนั่งเกาะไม้ให้ผมอย่างนี้แหละแต่เดี๋ยวนี้ก็เลยปรับใหม่มาใช้มีขาตั้ง <Yeah. S 1> ก็ช่วยในการทรห้ที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมได้สมบูรณ์สะดวก <Yeah. S 1> นั่งตสบายนะไม่ต้องเกร็งขยับขยื่นเคลื่อนไหวได้เราไม่ใช่กระถางต้นไม้ มันเมื่อยก็ขยับเพราะว่าการขยับอย่างมีสติเนี่ยไม่เสียรูปแบบการปฏิบัติหรอกขยับก็ได้ยิ้มก็ได้เขางดพูดแต่เขาไม่ได้งดยิ้มไม่เป็นไรหรอกยิ้มบ้างทําหน้าตาสดชื่นเบิกบานอย่าทําหน้าตาเคร่งเครียดธรรมะไม่ใช่เรื่องเก็บกฎธรรมะเป็นเรื่องปล่อยวาง ถ้าเรายิ่งทํายิ่งเครียดเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ทำมากแล้วเป็นแบบไม่ถูกต้องต้องยิ่งทําต้องยิ่งผ่อนคลายเยิ่งผ่อนคลายม่วงก็ได้นะม่วงก็ได้อ้าปากหาวก็ได้ให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นธรรมชาติแต่การกระทําเนี่ยต้องขอให้มันผ่านความรู้สึกตัวสันหน่อยไม่ผิดหรอกมันเป็นธรรมชาติไม่ต้องเก็บกดเอาไว้ให้มีความรู้สึกว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ การมาปฏิบัติธรรมเนี่ยจะว่าไปแล้วก็คือการมาหาที่พึ่งให้กับตัวเราทุกคนจะต้องมีที่พึ่งถ้าไม่มีที่พึ่งแล้วเราก็จะว้าเวเหมือนคนอนาถาหาที่พึ่งเพื่อรู้จักเครื่องมือแล้วก็วิธีการนำเอามาใช้แก้ปัญหาเพราะคนทุกคนเนี่ยมันต้องมีปัญหาก็ต่างนั้นอะ แม้ปัญหาก็นนอกตัวก็เป็นปัญหาในตัวปัญหาทั้งหลายที่จริงแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นที่นอกตัวเราหรอกมันเกิดขึ้นที่ตัวเราเป็นสำคัญเกิดขึ้นที่กายจิตของเราเนี่แหละรูปนามขันธ์ห้าที่เราคลองอยู่เนี่ยเพราะว่าถ้าเรายังมีรูปนามยังมีขันธ์ห้าเป็นตัวเราของเราอยู่เมื่อไหร่แล้วก็ เราก็ยังไม่พ้นจากปัญหามันต้องมีปัญหาทุกคนที่ยังยึดมั่นถือมั่นในรูปนามขันธ์ห้าหรือว่าเป็นตัวเราของเรามันยึดถือมั่นไม่ได้หรอกเพราะว่าขันธ์ห้าเนี่ยหรือรูปนามเนี่ยมันมีความไม่เที่ยงมันมีความทุกข์มันเป็นก้อนแห่งทุกข์แล้วมันก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครมันบอกไม่ได้ว่าไม่ฟัง เรายึดติดอยู่เนี่ยเราก็ต้องไม่เที่ยงตามเขาเป็นทุกตามเขาเนี่ยบังคับบัญชาไม่ได้ตามเขามันก็สุดท้ายคือต้องเป็นทุกข์อยู่ร่าไปจนกว่าเราจะมีสติปัญญารู้ความจริงว่ารูปนามขันธห้าเนี่ยมันมีอาการเป็นอย่างไรธรรมชาติเป็นอย่างไรเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็ปล่อยวางในที่สุดปล่อยวางนั้นไม่ใช่ปล่อยทิ้ง แล้วก็อยู่กับขันท่าแบบไม่ยึดติดว่าเป็นตัวเราของเราขันท่าจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยจิตเราจะไม่เป็นทุกข์เราอยู่ช่วยในการบริหารขันเอาขันท่าเนี่ยทำประโยชน์ทําประโยชน์ได้สูงสุดเลยแทนที่จะไปทําชั่วทําผิดศีลผิดธรรมเรามาปฏิบัติธรรมเรามีรูปนามขันท่าถ้าเราใช้มาเพื่อขปฏิบัติธรรมเนี่ยเพราะว่า ได้ใช้ขันท่าของคุณพ่อคุณแม่ที่ให้มาเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดนอย่างพวกเราวันเนี้ยต้องขออนุโมทนานะทันทีจะเอารูปนามขันท่าไปทำในสิ่งที่มันผิดศีลผิดธรรมก็มาทาประโยชน์ประโยชน์ที่เราได้เราเป็นคนแรกเราได้ประโยชน์แล้วก็คนต่อมาคือคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้อง ได้ประโยชน์จากรุ่นนานมันหน้าที่เรามีอยู่รวมทั้งครูบาอาจารย์ท่านวิยากรคนทมอาหารก็ได้ประโยชน์จากที่เรากระทําความดีในวันนี้อย่างวันเนี้ยผมเองก็ถือว่าได้มาร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกๆคนที่ได้ทําความดีแล้วผมก็ไม่ได้มาคนเดียวเนี่ยผมมากับชมรมเพื่อคุณธรรมมาด้วยกัน สิอคนมารูปมอาโมทนาเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่ว่าเป็นตัวต้นเรื่องเราต้องมีความตั้งใจปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อแสวงหาที่พึ่งกับตัวเราเองเอาไว้แก้ปัญหาชีวิตที่เราจะต้องเผชิญในปายภาคหน้าซึ่งบางคนในปัจจุบันนี้ก็มีปัญหาชีวิตมากมายปัญหาสุขภาพร่างกายปัญหาเศรษฐกิจปัญหาครอบครัวปัญหาเรื่องจิตเรื่องใจ เรื่องความคิดถ้าเรานำเอาหลักวิธีการปฏิบัติเนี่ยเอาไปใช้แก้ปัญหาแล้วปัญหาทั้งหลายจะถูกตัดรากถอนโคนทุกไม่เกิดทุกไม่เกิดถ้าใครไม่มีปัญหามาปฏิบัติก็ดีใหญ่เลยเป็นการป้องกันสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้ชีวิตมีภูมิต้านทานเพื่อป้องกันปัญหา การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันดีทั้งการป้องกันแล้วก็แก้ไขเราจึงต้องมาสร้างที่พึ่งกับตัวเราพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้พึ่งตนเองท่านไม่สอนให้ไปคอยจะจะพึ่งพาแต่ผู้อื่นให้พึ่งตัวเองพึ่งอะไรพึ่งกายพึ่งจิตพึ่งศรัทธาพึ่งความเพียรพึ่งสติพึ่งสมาธิพึ่งปัญญา ที่มีอยู่ในตัวเราซึ่งสิ่งเหล่าเนี้มันให้ใครไม่ได้ตัวใครตัวเราใครทําใครได้เราต้องทําเอาเองถ้าหลักคําสอนที่มีอยู่ว่าให้พึ่งคนอื่นเนี่ยอันนั้นไม่ใช่หลักธรรมของศาสนาพุทธศา ส, สนาพุทธจะสอนให้พึ่งตนเองที่เรียกว่าอะไรอัตตาหิอ ah ัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งตนอย่างพวกเราเนี่ยกำลังมาสร้างที่พึ่งตรงนี้ยก่อนอื่นนี่ เมื่อเรามาแล้วมีใครพอจะมีดวงตายเห็นธรรมไหมต้องพูดดักไว้ก่อนบางทีเดี๋ยวเราไปพูดก็เดี๋ยวปลามาดคนที่มีดวงตายเห็นธรรมไม่เป็นไรนะเนี่ยเรามีโอกาสเห็นธรรมได้ทุกขนาดจิตวันที่สามแล้วเป็นวันที่ค่อนข้างจะเครียดวันแรกก็ยังตื่นเต้นวันที่สองตั้งหลักวันที่สามเริ่มเครียด ถ้าพ้นวันนี้เราปลอดภัยนะเนี่ยวันที่เขาหิ่วกระเป๋าเหมารถก็คือวันนี้ล่ะเขาเรียกวันยานเกิดยานเนีย่ยานหอบเสือหอบหมอนเตรียมตัวกลับบ้านถ้าพ้นวันนี้ไปแล้วเนี่ยรับรองจะมีแต่การป่อนคลายผ่อนคลายนี่แหละธรรมะก็จะปลาวกขึ้นในใจอดทนหน่อยอดทนอีกนิดหนึ่งชีวิตจะประเสริฐนะวิธีการไม่ให้จิตเราฟุ้งซ่าน หรือนับบันนับเวลาหรือมีความวิตกกังวลที่เกิดจากความคิดเนี่ยขอให้เรามาเปลี่ยนชีวิตใหม่เราลองมาทำชีวิตอยู่กับปัจจุบันการมีสติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันช่วย ท, ทาให้จิตเราเนี่ยมันไม่ไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องอดีตเรื่องอนาคตอยู่กับปัจจุบันเรื่องอดีตเนี่ยเป็นเรื่องที่สับสนวุ่นวายนะ กระทั่งเรื่องแต่เมื่อวานวันซืนที่บ้านเป็นเรื่องสับสนมุ่นวายมันทำให้เราต้องซ่อมหมองเรื่องในอดีตถ้าเราไปคลุ่นคิดเท่ากับไปการตอกย้ำให้จิตเราต้องซ่อมหมองหนักยิ่งขึ้นให้ทิ้งไปซะถ้ามันเผลอคิดขึ้นมาก็ให้มีสติรู้อ๋อ oh, นี่จิตมันคิดแล้วนะมันปรุงมันแต่งเป็นเรื่องอดีตอดีตคิดได้ถ้าเอามา เป็นครูสอนจิตสอนใจถ้าคิดแล้วเป็นทุกข์ก็อย่าคิดดีกว่าลืมไปซะแล้วยิ่งอนาคตเนี่ยที่เราต้องคอยกังวลอยู่เนี่ยมันมีนความเพ้อฝันไม่จริงหรอกอนาคตไม่มีมีแหมอนาคตใครเห็นอนาคตบ้างพวกนี้มีไหมพวกนี้ก็ยังไม่มีมันมีแต่เมื่อเราคิดใช่ไหมล่ะถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยอดีตอนาคตไม่มี ซึ่งเป็นชีวิตจริงเพราะนั้นอนาคตยังเป็นเพียงแค่ความเพ้อฝันสิ่งที่เราวิตกกระวนถึงอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราหรือคนที่เรารักชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นจริงสักกี่ครั้งสิ่งเรากังวลเอาไว้เนี่ยมันเป็นจริงสักกี่ครั้งกี่หนสม่าไม่ค่อยจริงอะ่ะเราวิตกกระวลล่วงหน้าเพราะเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบัน เพราะนั้นมาฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยก่อนอื่นต้องรักษาจิตให้อยู่กับปัจจุบันก่อนปัจจุบันที่ไหนที่ใกล้ตัวที่สุดคือปัจจุบันอยู่ที่กายกับจิตอยู่ปัจจุบันที่กายกับจิตด้วยการจเจริญสติแล้ว <c oughs> มาลงที่การจเจริญสติสติเท่านั้นที่จะรักษาจิต รักษากายอยู่กับปัจจุบันได้ถ้าขาดสติเมื่อไหร่แล้วก็จิตมันจะหลุดไปในอดีตและอนาคตทีนี้ละความทุกข์จะท่วมทับใจเราเราต้อ ง, องมาฝึกเจริญสติจะเรียกว่าสติปัฏฐานสี่ก็ได้หรือวิปัสสนากรรมฐานก็ได้แต่ต้องเริ่มต้นในการมีสติมีความรู้สึกตัวอันนี้เป็นหลักการปฏิบัติโดยเพราะวิปัสสนากรรมฐานเนี่ย เราใช้สติเป็นหลักสติรู้ที่ไหนรู้ที่รูปนามรูปคื อ, อไรนามคื อ, อไรเราคงจะเข้าใจแล้วมีรูปนามเป็นอารมณ์เรื่องเป็นอารมณ์ปรามัตารธรรมมีรูปนามเป็นอารมณ์เนี่ยคือของจริงและรูปนามที่ไหนที่ปัจจุบันไม่ใช่ที่ตัวเรานะ ถ้ารูปนามที่ตัวเราเนี่ยเราก็ยังเป็นเจ้าของรูปนามอยู่ถ้าเป็นรูปเป็นนามแล้วไม่มีตัวเราหรอกมันมีแต่รูปนามก็แล้วกันรูปนามที่ปัจจุบันขณะเฉพาะหน้ามีสติรู้รูปนามในปัจจุบันให้ต่อเนื่องนหะหลักมีตรงนี้จึงเรียกว่าเป็นวิปัสนาแต่ย่างนึ้นก็คือถ้าเป็นวิปัสนาเราต้องรู้แบบแยก อย่ารู้รูปรู้น้ำแล้วก็มีสติเป็นตัวเราของเราอารมณ์เดียวนี่ก็ยังไม่ถูกมันต้องแยกวิปัสนาต้องแยกรูปก็ดีน้ำก็ดีสติก็ดีต้องแยกไม่ใช่สิ่งเดียวกันถ้ารู้ไปนหนึ่งเดียวกันเนี่ยนี่คือสมถะวิปัสนาเนี่ยจะแยกแยกกันอยู่รูปส่วนหนึ่งน้ำส่วนหนึ่งสติผู้รู้ส่วนหนึ่งเอารูปน้ำมาเป็นสิ่งที่ถูกรู้ สติเป็นผู้รู้ใชต่างกันนะสติผู้รู้นี่ส่วนหนึ่งรูปนามคือสิ่งที่ถูกรู้ส่วนหนึ่งไม่ใช่อันเดียวกันอันนี้ที่เราเป็นวิปัสสนาใชพอจะเข้าใจไหมมันต้องมีหลักวิชาการซะหน่อยถ้าไม่เข้าใจไม่เป็นไรหรอกเราฟังเอาไว้เนี่ยสําคัญนะแต่ต้องรู้ให้ต่อนเนื่อง วิธีการไปฏิ บ, บัติวิปัสสนานี่มีหลายแบบรูปแบบมีมากมายดูลมหายใจแล้วก็แบบเคลื่อนไหวอิเลียบทย่อยและมีคำบริกรรมหลับตาลืมตาโอ้สรพัสอย่างรูปแบบการทำวิปัสสนาแต่ไม่ทิ้งหลักคือการต้องมีสติรู้กายรู้จิตลงในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ถ้าทำนี้แล้วก็ไม่ผิดต้องเข้าใจให้ถูกต้องกันนะถ้าเข้าใจผิดเราก็เดินทางผิดแล้วชีวิตมันก็พลอยผิดไปด้วยต้องเข้าใจให้ถูกต้องมีสติมีความรู้สึกตัวเนี่ยลงไว้ที่กายที่กำลังเคลื่อนไหวเนี่ยที่จิตในขณะปัจจุบันให้ต่อนเนื่องหลักมาอยู่แค่นี้เนี่ยอย่างแนวที่ อยคยีได้ปฏิบัติกันเนี่ยเป็นแนววิปัสนาใช้คำบริกรรมว่าพองยุกก็ได้เคยศึกษามาเคยลองปฏิบัติมาด้วยคือแบบพองยุกมีคำบริกรรมเริ่มต้นจากการรู้กายเป็นหลักเวลาท้องมันพองก็ให้บริกรรมว่าพองหนอะเวลามันยุบก็ยุบหนอนะใช้คำบริกรรม แต่ถ้าเราเข้าไปติดปล่อยสติเข้าไปเพ่งทองมันก็ยังเป็นสมถะแต่ถ้าเรามีสติเป็นผู้ดูดูทองมันพองดูทองมันยุบทองพองทองยุบเป็นสิ่งที่ถูกดูสติเป็นผู้ดูป้องแบบนี้นะถ้าวางใจถูกก็เป็นวิปัสสนาถ้าวางใจผิดก็เป็นสมถะกรรมฐานสมถะกรรมฐานเพียงแค่ทำให้จิตสงบ ยังไม่หลุดพ้นจากทุกข์พอมันหายสงบแล้วก็จะทุกข์เหมือนเดิมเวลาฟุงา้งซ่านวุ่นวายก็หนีเข้าห้องพระเพื่อทำให้จิตสงบถ้าเราอยู่ที่ที่ทำงานมันฟุ้งซ่านบิ่กลับมาที่ห้องพ้าที่บ้านให้สงบต้องวิ่งเข้าวิ่งออกให้จิตสงบนะยึดติดความสงบความสบายแต่ถ้าเป็วิปัสสนาอันนี้เพราะว่าความเห็นแจ้งที่ไหน ก็สงบได้ที่ไหนก็มีสติได้เพราะฉะนั้นทำวัสนาเนี่ยต้องทำด้วยความรู้ตัวเป็นหลักรู้แบบแยกกอย่างที่เรากำลังทำเนี่ยการบวจิตต้องสำคัญมากทีนี้มันมีเทคนิคอยู่หน่อยหนึ่งว่าขอเติมอยู่หน่อยหนึ่งว่าก่อนที่เราจะใช้คำบริกรรมเนี่ยเราต้องเริ่มตด้วยความรู้ตัวก่อนนะให้รู้ตัวก่อนแล้วค่อยมีคาบริกรรม เป็นการย้ำลงไปอย่างเช่นว่ามีเสียงมากระทบให้รู้ตัวก่อนแล้วค่อยมีคำบริกรรมว่าได้ยินหน้อได้ยินหนอได้ยินหนอยินหนอยินหนาต้องเริ่มจากการรู้ตัวก่อนต้องรู้สึกตัวก่อนเพราะว่าคาว่ารู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นตัวปรมัด ร, รู้สึกตัวรวนรวนรู้แบบสด เนี่ยเป็นตัวปรมาตัตดต้องรู้ตรงนี้ก่อนนะและ้วก็จะมีคำบริกรรมผสมว่า<ม>ได้ยินนอได้ยินนอเวลากายมันปวดกายมันปวดเราต้องรู้สึกตัวก่อนกับความปวดสติมา ก, ก่อนแล้วค่อยใช้คาบริกรรมปวดนอปวดนอเพราะคำบริกรรมก็เป็นสมมุติเป็นบัญญตัติแต่ความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นตัวปรมาตัตธรรมเวลาจิตมันคิด ให้รู้สึกตัวก่อนแล้วค่อยมีคําบุญกรรมมากคิดหนอคิดหนอทําอย่างนั้นไหมติดเจสาปัดของกินก่อนเนาะแล้วค่อยเข้าสู่แดนแห่งความสมมุติต้องรู้ตัวก่อนในวันในสมัยที่พระพุทธเจ้าเทศกันแรกประถมะเทศนาเป็นวันอาสหาหะบูชาใช่ไหมท่านเทศกันแรกเทศเรื่องทางสายกลาง เนี่ยเทตกันแรกมีผู้ฟังอยู่ห้าท่านปัญจวกีทั้งห้าท่านเทศเรื่องทางสายกลางเทศจบท่านัญญาณโกนทญยะบอกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดามีดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันผู้เจ้าสันเสริญว่า ัญญาสิวัตโกทันโยัญญาสิวัตโกทันโยโกลทัญญะรู้แล้วหนอโกลทัญญะรู้แล้วหนอ ท, ทําไมายท่านเทศแบบนั้นเพราะว่าต้องรู้ก่อนแล้วค่อยหนอไงต้องรู้ตัวก่อนแล้วค่อยมีหนอใช่ไหมนั่นเนี่ยมันเป็นเทคนิคนิดเดียวนะให้รู้สึกตัวแล้วก็มีหนอแล้วต่อไปเชื่อ ว, ว่าไม่ต้องใช้คำเป็นกรรมมันหนอก็ได้ มันลัดขับนู้สู่ความรู้สึกตัวอะไรก็ได้แต่ใหม่ๆต้องรู้สึกตัวแล้วก็มีหนอเป็นการตอกย้ำอีกทีหนึง่งว่ารู้จริงรู้จริงนะมันต้องเป็นลำดับที่นี่มีใครเป็นคนจีนบ้างอ้คนจีนหนอไปว่าอะไรหนอไปว่าสองเพราะนั้นหนอไปว่าสองต้องรู้สึกตัวก่อนนะหนึ่งแล้วก็ต้องให้หนอสองอันนี้เป็นเทคนิคนะเพราะนั้น ถ้าเรามีความรู้ตัวก่อนและมีคำบริกรรมตามหลังเนี่ยแล้วเราทําให้ต่อเนื่องนะทำต่อเนื่องกันนานๆเนี่ยสติมันจะมีกําลังถ้าเราไม่บริกรรมต่อเนื่องหรือรู้ตัวต่อเนื่องเนี่ยสติจะไม่มีกําลังการทําต่อเนื่องสติจะมีกําลังมันจะตื่นรู้รู้ทันปัจจุบันถ้ารู้รูปรู้นามทันปัจจุบันแล้วก็เดี๋ยวมันจะเกิดญาณปัญญา แยกรูปแยกนามเห็นรูปนามเนี่ยมันเกิดดับนับไม่ทันก็ต้องเห็นมรรคผลนิพพานอันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะเพียงเด๋ยรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องลงในรูปในนามเนี่ยมันจะทันปัจจุบันต้องทันปัจจุบันขนาก่อนเฉพาะหน้าเดี๋ยวญาณปัญญาจะเกิดขึ้นมันจะแยกรูปแยกนามแยกกายแยกจิต เห็นรูปเห็นนามเป็นไปรักเกิดดับก็ตั้งเห็นมรรคผลนิพพานไม่ธรรมดาโดยเพพาะการเห็นรูปนามเกิดดับเนี่ยพุทธองค์ท่านสนเสริมมากถ้าใครสามารถเห็นรูปนามเกิดดับแม้มีชีวิตเพียงวันเดียวก็ยังประเสริฐกว่าคนที่มีชีวิตตั้งร้อยปีแต่ไม่ได้เห็นรูปนามเกิดดับเลย ใครเห็นบ้างไหมรูปน้ำเกิดดับมีครูบาอาจารย์เคยเล่าว่าท่านไปเป็นวิปัสนาจารย์ในคอร์สปฏิบัติคอร์สหนึ่งท่านก็นั่งพูดนั่งเทศเกี่ยวกับเรื่องทางสายกลางเนี่ยให้โยคีฟังพอเทศจบท่านนั่งนิ่ง นั่งนิ่งอยู่ต้องนานโยคยีก็มองซ้ายมองขวาเอ๊ะมนเกิด อ, อะไรขึ้นท่านทำไมไม่เทศต่อสักพักหนึ่งท่าบอกว่าอ๋อไอ้ที่อาตมาหยุดเนี่ยคืออาตมากำลังรอพระอริยะที่จะเกิดขึ้นรอเพื่อจะมีพระอริยะบ้างในช่วงนั้นเรามีไหมเมื่อกี้ก็นิ่งหนึ่งพักหนึ่งแต่ไม่เป็นไรนะเนี่ยเอาไวค้คุยๆกันอย่างนี้แหละยังไม่ต้องเป็นก็ได้ เริ่มเบสิกให้ถูกต้องอันนี้เป็นการปฏิบัติแบบย่อๆซึ่งบางทีครูบาอาจารย์ท่านก็ได้สอนเอาไว้แต่ที่สำคัญก็คืออุปสรรคของการปฏิบัติเนี่ยจะเน้นมากเลอุปสรรคเนี่ยอุปสรรคของการปฏิบัติอุปสรรคแปลว่าเครื่องตีดขวางความสำเร็จคืออุปสรรคทางกาย อุปสรรคทางจิตไหนใครไปปฏิบัติมาสามวันแล้วเนี่ยยังไม่พบ อ, อุปสรรคเลยไหนใครปฏิบัติไปมีแต่ความสุขไม่เคยมีความทุกข์เลยไหนใครไม่ได้พูดอะไรเวลาผมชวนคุยเนี่ยพังเงียบเนี่ยผมก็รู้สึกต้องพินาตัวเองนะไม่รู้ผมทำผิดหรือทำถูกนะ อุปสรรคของร่างกายเนี่ยก็คืออะไรความเจ็บปวดความเมื่อยความหิวความกระหายความร้อนความหนาวย่อมมีทุกๆคนอุปสรรคทางจิตก็คืออะไรคือความง่วงความคิดปุ๊งซ่านความขี้เกียจความท้อแท้ท้อถอยอยากกลับบ้าน สงสัยมันย่อมมีกับทุกๆคนนะ <c ười> คือเป็นเรื่องของกิเลสอะ <c ười> เรื่องของกายจะเป็นเรื่องของสภาวะธรรมของจริงถ้าเรื่องจิตเนี่ยจะเป็นของกิเลสซะมากกว่าถูกไม่มจิตมันนากิเลสมากายไม่นามาหรอกแต่กายเอากิเลสไปใส่ให้จิตจิตเอากิเลสใส่ให้กายก็มีนะ <c ười> เพราะนั้นเรื่องอุปสรรคเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดา ถ้าใครปฏิบัติธรรมแล้วมีแต่ความสุขสุขสุขเนอสุขหน อ, ห น, อนี่ยนนะ่ะนั่นผิดทางแล้วหนอหรือไม่ได้ทําอะไรเลยนั่งคิดแต่พืพ้นไม่เห็นตัวเราเองเลยผิดทางแล้วนะแต่ถ้าใครปฏิบัติทำแล้วเจอความทุกข์นั่นถูกต้องที่ถูกเพราะอะไรพุทธองค์นั่นตรัส ว, ว่ามีทุกขตัวนั้นที่เกิดขึ้นมีทุกตัวที่ตั้งอยู่ มีทุกเท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกแล้วไม่มีอะไรเกิดได้มีดับไหนใครมีแต่ความทุกเวลาปฏิบัติไม่กล้าบอกนั่นละท่านมาถูกทางแล้วอยากเกรงใจเรื่องความทุกข์ใครจะมาทุกเกินผมในตรงนี้ร่างกาย <laughs> อยากเกรงใจอย่ามาเห็นว่าโอ้ยจังกไม่มีทุกหรอกอย่ารูถูกความทุกข์ที่มีอยู่ในกายผมเพราะนั้น <laughs> ถ้าเกิดความทุกข์ในขณะปฏิบัติพุทธองค์ท่าตรัสว่าทุกข์มีไว้เพื่อรู้ทุกข์ให้รู้ทุกข์ไม่ได้ให้หนีทุกข์ไม่ได้ให้ละทุกข์ไม่ได้ปฏิเสธแต่ทุกข์ให้รู้รู้ด้วสตินั่นคือการรู้ทุกข์แล้วไม่ธรรมดานะพอทุกข์เกิดขึ้นได้มีสติรู้ทันที เทคนิคในการรู้เนี่ยอย่ารู้แบบเข้าไปอยู่รู้แบบเป็นผู้ดูทุกข์อย่าเข้าไปเป็นผู้ทุกข์ถูกไหมเป็นผู้ดูทุกข์อย่าเข้าไปเป็นผู้ทุกข์ทุกวันเนี่ยคนเราที่ไม่ได้ไปฏิบททัติธรรมหรือไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยเราเข้าไปเป็นหมดเลยกายปวดโอ้ความปวดนี่เป็นเราเราคือผู้ปวดใจมันคิดฟุ้งซ่านปรุงแต่งมันเครียด โอ้ใจเนี่เป็นเราเราเข้าปเป็นผู้เครียดผู้ทุกข์เลยเพราะฉะนั้นเปลี่ยนใหม่คนที่ปฏิบัติธรรมแล้วต้องมีสติเป็นผู้ดูเป็นผู้ดูเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นอย่าเข้าไปเป็นเด็ดขาดถ้าท่านเข้าไปเป็นกายหมาแล้วก็ท่านจะต้องแก่เจ็บตายไปตามกายถูกไหมท่านจะก็ไม่สวยไปตามกายอ้วนไปตามกายทุกข์ไปตามกายถ้ามีสติเป็นผู้ดูแล้วก็มันปลอดภยัย เวลามันเกิดความคิดปรุงแต่งสติเป็นผู้ดูความคิดอย่าเข้าไปเป็นผู้คิดและชีวิตท่านจะปลอดภัยคนเราเนี่ยเป็นทุกข์เพราะความคิดเป็นทุกข์เพราะไม่เห็นความคิดเวลาจิตมันคิดขึ้นมาเนี่ยเราขาดสติเลยเราเข้าอยู่ในความคิดเลยเอาความคิดเป็นเราเอาเราเป็นผู้คิด เหมือนคนติดอยู่ในถ้ำหาทางออกไม่เจอแล้วความคิดมันพาอะไรมาล่ะพ า, าความโลภความโกรธความบงความอิจฉาเสยากวิตกกังวลหวาดระแวงน้อยเนื้อต่ําใจนี่แหละคือความคิดนํามาแล้วเราก็ขาดสติเข้าไปเป็นผู้คิดเลยแต่การเจลสติปฐานที่เราฝึกเนี่ยฝึกให้สติมันตื่นรู้ตื่นรู้ไว้รู้สึกบ่อยๆรู้สึกบ่อยๆ บ, บริกรรมบ่อยๆ ด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยจิตมันจะไม่เข้าอยู่ในความคิดนะมันจะออกมาออกมาเป็นผู้เห็นคิดจิตทำหน้ที่เป็นผู้ดูความคิดทำหม้ที่เป็นสิ่งที่ถูกดูพอทํำบ่อยๆต่อนเนื่องเนี่ยสติมันจะเจริญมันจะพาจิตเราออกนอกความคิดโดยการไปเห็นความคิดจิตก็จะปลอดภยัยก็จะไม่มัวหมองตรงนี้แหละ เพราะเวลามันเกิดความทุกข์ขึ้นมาอุปสรรคอะไรก็ตามเนี่ยให้มีสติเป็นผู้ดูทันทีเห็นหนอคิดหนอก็แล้วแต่อย่าเข้าไปเป็นกระสิ่งที่เราไปรู้มันเนี่ยมันจะปลอดภัยนะนั่นการที่มันเกิดอุปสรรคในตัวเราเนี่ยดีแล้วการปฏิบัติธรรมต้องมีอุปสรรคไอ้อุปสรรคตัวเนี้ยมีไว้ทําไมรู้ไหมมีว่าเพื่อเป็นการฝึกจิตใจของเรา เป็นการฝึกใหใจลมเข้มแข็งเป็นการทดสอบจิตใจเราเวลามันคิดมีสติรู้มันก็ใช้ได้บางคนไปฏิบัติแล้วเกิดความสงบมีความสุขถ้าขาดสตินะถ้าจิตสงบแล้วขาดสติเนี่ยสู้จิตฟุ้งซ่านแล้วมีสติไม่ได้ถูกไหมดังนั้นเวลาเราฟุ้งซ่านเวลาง่วงนอนเวลาเราขี้เกียจเนี่ยไม่เป็นไรหรอกถ้ามีสติรู้ถูกต้อง บางคนเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนมันก็หลงทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันทักาะสติอันถือว่ายังเปรียดค้านยังประมาทอยู่สู้คนเดินเข้า้องน้ําแม้เพียง1ิบก้าวยังมีสติอันนี้ประเสริฐกว่าเดินจงกรมทั้งคืนทั้งวันหลงทั้งคืนทั้งวันก็มีนะแต่เดินเข้าของน้ําเพียงแค่1ิบก้าวยังมีสติเนี่ยอันนี้มีคุณภาพจิตมากกว่าคือเป็นคนที่ไม่ประมาทสร้างความเพียรผู้เจ้าสรรเสริญ นั้นลักใ่คือการให้มีสติรู้ทัน่เพราะนั้นสิ่งที่มันกึกับเราเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอุปสรรคต่างๆอย่าไปท้อแท้นั่นแหละคือแบบฝึกหัดเป็นบทเรียนให้เราได้ฝึกแก้ปัญหาแล้วก็สอบให้ผ่านจะสอบผ่านได้นั้นต้องที่จิตใจเราถ้าใจเราไม่ทุกข์กับความปวดความเมื่อยทางกายล้วก็ผ่านถ้าใจเราไม่ทุกข์ ก, กับความคิดฟุ้งซ่านนั่นก็ผ่าน ผ่านเพราะว่าสติควบคุมจิตไม่ให้ทุกข์กระสิ่งที่มันปรากฏมันจะได้แยกแยกจิตแยกกายแยกรูปแยกนามนามเป็นผู้ดูกายเป็นสิ่งที่ถูกดูเห็นไหมต้องแยกอย่างนี้แหละนั้นการปฏิบัติเนี่ยนะอุปสรรคต่างๆเนี่ยไม่ค่อยมีใครชอบหรอกอุปสรรคไม่มีใครชอบแต่รู้ไหมว่าอุปสรรคนั่นคืออะไร คือครูสอนธรรมะอย่างถูกต้องเลยอุปรสรรคคือครูสอนทรรมอย่าไปลังเกียจอย่าไปต่อต้านการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องรู้แจ้งในรูปนามว่ามันไม่เที่ยงอย่างไรเป็นทุกอย่างไรไม่ใช่ตัวตนอย่างไรเมื่อกายมันปวดถ้าเราไม่อยากให้มันปวดเรามาัดมันเนี่ยมันจะเห็นไตลักษณ์ที่รูปนามไหมที่กายไหม คืกายมันบอกว่ามันไม่เที่ยงกายกําลังบอกว่าเขาเนี่ยเป็นทุกข์มากถูกความทุกข์บีบคัน้นจะมีอาการปวดกายกําลังบอกว่าเขาเนี่ยบังคับบัญชาเขาไม่ได้หรอกเราก็ไม่อยากให้มันปวดแต่มันจะเป็นต้องปวดนะแสดงว่ากายเนี่ยเราบังคับบัญชาไม่ได้เขาแสดงแต่ละให้เราเห็นนะเราจะปฏิเสธทําไมนั่นเลยคือครูสอนธรรมะหรือจิตที่มันคิดฟุ้งต้าน เราก็ไม่อยากให้มันคิดแต่จิตมันจะเป็นต้องคิดเพราะเป็นหน้าที่ของจิตแต่ว่าจิตเนี่ยเราไม่สามารถจะบังคับบัญชาไม่ได้ไม่สามารถจะบังคับบัญชาได้มันก็จะคิดร้อยแปดพันเรื่องนั่นแหละมันบอกเราว่ามันไม่เที่ยงจิตบางทีมันก็รู้สึกตัวจิตบางทีมันก็หลงลืมตัวใช่ไหมมันจะรู้สึกตัวตลอดเวลาได้ไหมไม่ได้บางทีมันก็หลงเราก็ไม่อยากให้มันหลง แต่อยากให้รู้ทั้งวันเนี่ยเราไม่สามารถจะบังคับมันได้ <c oughs> จิตมันก็ไปอนัตตามาเข้าบัญชาไม่ได้คือบอกเขาบอกทําไม้กับเราเราปฏิเสธเราไม่ชอบเราไม่อยากเจอถ้าเราหนีธรรมะจะเจอธรรมะไหมน่ารักครูสอนธรรมนะคืออุปสรรคนี่แหละคือครูสอนธรรมอย่าปฏิเสธเรามากักจะไม่ค่อยชอบหนีอุปสรรคแต่ลืมว่าอันนั้นคือครูสอนธรรมที่ถูกต้องที่สุดเลย ถูกต้องกว่าพระพุทธเจ้าสอนด้วซ้ํำไปพระเจ้าสอนเป็นเพียงแค่หลักการแต่สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในกายในใจเรา น, ะนั่นแหละคือของจริงนั่นแหละคือธรรมชาจริงๆผมเองนี่ก็เปลี่ยนชีวิตมันได้กับพระอุปสรรคนี่แหละที่มันบีบคั้นตัวเราอุปสรรคหรือความทุกข์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตผมเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนชีวิตผมจากร้ายกลับกลายมาเป็นดีได้ ก็เพระอุปสรรคเพราะความทุกข์นี่แหละเพราะความทุกข์ทำเราต้องเกิดศรัทธาถ้าผมไม่มีความทุกข์เนี่ยผมไม่สนใจเรื่องธรรมะไปดูทีวีดีกว่าแต่นี่ความทุกข์บีบคั้นจึงเกิดศรัทธาความทุกข์เป็นบทเรียนบทแรกให้เราได้ศึกษานี่คือเรื่องของความทุกข์ตรงนั้น พวกเองนี่การใช้ชีวิตเนี่ยมันก็มีแต่ความลำบากคือร่างกายเนี่ยมันไม่ปกติมันไม่มีความรู้สึกตั้งแต่ตั้งแต่หัวไหล่เนี่ยไปถึงปลายเท้าเลยไม่มีความรู้สึกเคลื่อนไหวเองไม่ได้คือไหวเฉพาะได้ช่วงหัวไหล่แล้วก็แขนแล้วก็ศีรษะใช้ชีวิตแบบต้องเนื่องด้วยผู้อื่นคอยช่วยเหลือเรื่องบางอย่างแล้วก็ช่วยตัวเราได้บางอย่างก็ต้องอาศัยคนอื่น การใช้พิษเป็นเรื่องความลาบากแล้วยิ่งมาปฏิบัติธรรมยิ่งแล้วเลยอยากจะพ้นทุกข์ก็ศรัทธาวิ่งกรหารธรรมะเอาไปปฏิบัติอยู่ที่บ้านไม่ได้มีโอกาสมาเข้าคอร์สหรือมีครูบาอาจารย์คอยประกบแบบนี้หรอกไปเดือด้ออยู่ที่บ้านแห้งแล้งเหลือเกินทำอยู่ที่บ้านเวลามันเกิดความทุกข์ความเครียดอก็ต้องอดทนทาอยู่ที่บ้าน อาศัยความอดทนอิเลียบทรรรยากล้มันก็ไม่สมบูรณ์นะนะการเคลื่อนไหวมันได้น้อยอิเลียบวกก็จํากัดผมได้แค่นั่งกับนอนยืนเดินไม่ได้อย่างพวกเรานี่นั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้วิ่งก็ได้กระโดดได้ล่างหากพร้อมทุกอย่างเลยผมทำอย่างนั้นไม่ได้ส่วนมากก็จะนอนผมก็จะใช้การนอนปฏิบัติ นอนเจริญสติเมื่อก่อนใช้คำบริกรรมนะนดูท้องพองยุบพองหนอยุบหนอหลับตาด้วยนอนไปฏิบัติแล้วหลับตาเนี่ยในช่วงบ่ายโมกว่าเนี่ยโอ้เดี๋ยวเพื่อนเก่ามาแล้วค <c oughs> วามง่วงมาแล้วพวกเราเนี่นั่งไปฏิบัติง่วงไหมเดินไปปฏิบัติง่วงไหม ขนาดเดินยังง่วงแล้วผมนอนปฏิบัติเนี่ยมันจะเหลืออะไรมันก็คอยจะจะหลับจะหลับแต่สายความอดทนนะหลับไม่ได้หลับต้องต้องกลับไปเป็นทุกข์เราคืนมัวหลับอยู่เนี่ยชีวิตเราเนี่ยมันจะไม่พัฒนาไม่ก้าวหน้าจะดับทุกข์ไม่ได้จะหลับทําไมต่อไปเราก็หลับไม่ตื่นอยู่แล้วเอาสติสอนตัวเราเองนอนปฏิบัติจนเปลี่ยนวิธีการใหม่เออหลับตาเนี่ยคงไม่ได้แล้ะ พยายามบ่นิ่งใช้การเคลื่อนไหวก็ใช้การเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวร่างกายนอนพลิกมือแล้วก็รู้สึกตัวพลิกไปปอมันง่วงอ่าง่วงก็พลิกทั้งซ้ายมามันง่วงออกตะแคงขวาบางทีตะแคงไปมันเข้าทางความง่วงก็จะสลับเปลี่ยนทิ่นอนพลิกไปพลิกมาอยู่บนเตียงน่ะเพื่อจะเอาชนะความง่วงอาศัยความอดทนบางทีมันไม่ไหวจริงอ่ะอมน้ำแล้วอมมากๆทามันง่วงมันจะสํำลักเอง ฝึกอาศัยความอดทนทุกอย่างทุกรูปแบบเพื่อเอาชนะความวง่วงใช่ไหมทีใจเราถ้าใจเราไม่ยอมแพ้เนี่ยอะไรก็เอาชนะใจเราไม่ได้ไอ้ความง่วงไม่เท่าไหร่ไอ้ที่มีปัญหาคือความคิดเนี่ยคนที่ร่างกายมีความทุกเนี่ยจิตใจมันไม่สดชื่อหรอกกลายเป็นทุกขไม่ได้ไปฏิบททัติธรรมจิตก็ต้องเป็นทุกข์ด้วยทุกข์ของจิตก็คือความคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านเสด็ดาออดีต กังวลถึงอนาคตสารพัดอย่างเปรียบเทียบชีวิตของเรากับอดีตกับปัจจุบันมันต่างกันมากอดีตชีวิตเราดีปัจจุบันเราแย่มองคนนู้นก็เดินได้คนนี้ก็วิ่งได้เรามันนอนได้อย่างนี้โอ้เครียดมากเลยทุกเพราะความคิดมันแปลกเวลามาเกิดความคิดเออเราก็มองเออดีนะมันคิดก็ดีเนาะมันกระตุ้นจิตให้มันตื่นจะได้ไม่ง่วง มองความคิดในแง่ดีซะเออดีละที่มันคิดมันจะได้ไม่ง่วงเพราะความคิดสงบมันก็ง่วงง่วงกวดีกว่าคิด <c oughs> มองอุปสรรคในแง่ดีซะเราจะได้ไม่ต่อต้านมันเ อ, อมันคิดกวดีจะได้ไม่ง่วงง่วงกว่าดีจะได้ไม่คิดถ้าจิตเรารู้จักยอมรับสิ่งที่มันปรากฏขึ้นเนี่ยจิตมันก็จะไม่เครียดมันจะไม่ทุกข์อาศัยการปฏิบัติเนี่ยนอนปฏิบัติอย่างเงี้ยอาศัยความอดทนอดกลั่น เวลาเจออุปสรรคก็มองอุปสรรคในแง่ดีเอาอุปสรรคที่มันขึ้นเนี่ยเอาไปสิ่งที่ท้าทายความสามารถดูซิเราจะทําได้ไหมเนี่ยท้าทายความสามารถไม่อ่อนข้อต่ออุปสรรคเอาอุปสรรคมาท้าทายความสามารถเราต้องทําได้ไม่เป็ไล่หลอกเรื่องแค่นี้เรื่องเล็กเนี่ยแค่ง่วงนิดม่เป็นเรื่องเล็กเดินไม่ได้ในเรื่องใหญ่กว่าโอ้มองมองให้ความทุกข์เนี่ยมันเล็กน้อย อุปสรรคเล็กน้อยแต่ความทุกข์ใจของมีมันมากพอเราอาศาัยความอดทนและเราไม่ได้คิดว่าเราอดทนหรอกปมาทุกอย่างเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดาไม่ได้คิดว่าเราอดทนจิตมันก็ไม่ต่อต้านถ้าจิตไม่ต่อต้านเนี่อรู้จักยอมรับความจริงเนี่ยมันก็ไม่ยุ่งยากก็ไม่วุ่นวายไอ้ที่เรามีปัญหาเพราะเราไปต่อต้านมันเสียงดังหน่อยก็ไม่ชอบ มันฟุ้งซ่านหน่อยก็ไม่ชอบมันเมื่อยหน่อยก็ไม่ชอบมีแต่ไม่ชอบพีแต่ต่อต้านแล้วจิตมันจะนิ่งได้ยังไงอ่ะแต่รู้จักยอมรับว่าเออเป็นธรรมดาอย่างนั้นเองเออธรรมดาจิตมันก็ไม่เที่ยงอย่นี่แหละกลายก็ทุกอย่างอย่างนี้แหละมองเห็นเป็นเรื่องธรรมดาซะมันต้องเป็นการปล่อยวางสงเคราะห์ลงในพระตัยรักเลยอ้วั น, นิ้จังทุกขังนัตตารู้แค่สามอย่างเนี่ยพอเลยรู้ว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาสามอย่างเนี่ย พอเลยไม่ต้องรู้อะไรมากโอ้กายมันก็อนิจจังทุกขังอนัตตาจิตมันก็อนิจจังทุกขังอนัตตาจบรู้สามอย่างยิ่งเราได้ปฏิบัติได้จรสติเนี่ยได้สัมผัสกับสภาวะแบบนี้แล้วก็จิตมันจะหลุดพ้นได้ง่ายเพราะฉะนั้นอุปสรรคต่างๆเนี่ยอย่าไปท้อแท้อย่าไปคิดว่าเ น, นี่ยมันคือสิ่งที่ทําให้เราต้องมีภาระการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องมีอุปสรรคบ้าง ต้องมีมารผจนมากมันจึงจะเก่งการปฏิบัติต้องมีมาจรจึงจะเก่งมันทำให้เราต้องเข้มแข็งอดทนรู้จักช่วยตัวเองอย่างในสุภาษิตก็อบอกว่าอะไรมารไม่มีบรารมีไม่เกิดเพราะฉะนั้นมานี่แหละช่วยทำให้เราสร้างบรารมีให้เราได้เอาชนะมันพระอริยเจ้าในสมัยอดีตกาลเนี่ยมีมารเท่านั้นอะ ผ่านพ้นมารมาได้เพราะว่าอาศัยขันติอาศัยความเพียรอาศัยศรัทธาอาศัยสติอาศัยปัญญาก้าชนะมารบรรลุธรรมได้เพราะนั้นว่ามารต่างๆอุปสรรคต่างๆเนี่ยมันช่วยช่วยทำให้เรามีประสบการณ์มีความรู้มันให้กำไรชีวิตนะไม่ทำให้ชีวิตขาดทุนอุปสรรคเป็นให้กำไรชีวิตให้บทเรียนของเรา เพราะนั้นอย่าไปทอ้อแท้รู้เท่าทันอย่างพวกเราเนี่ที่มาปฏิบัติเนี่ยก็เพื่อว่าสร้างสติสร้างปัญญาอ้ อ, อยเผชิญหน้ากับปัญหาเพราะฉะนั้นชีวิตเราทั้งหมดทั้งผ่านมาและจะไปข้างหน้าเนี่ยให้เรารู้เถอะว่าเราจะไม่ได้มีความสุขสมหวังเสมอไปหรอกใช่ไหม ชีวิตมันไม่มีความสุขสมหวังเสมอไปชีวิตเราเนี่ยต้องพบกับความผิดหวังมากกว่าสมหวังด้วซ้าไปเห็น ไ, ไ, ไหมชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราเนี่ยผิดหวังมากกว่าใช่ไหมเป็นหมอดูทายได้เลยต้องมีความผิดหวังมากกว่าเพราะเรายังมีความหวังอยู่ตราบใดที่ยังมีความหวังความผิดหวังก็ย่อมปรากฏขึ้นจนกว่าจะเลิกหวังแล้วก็ เราลองจะไม่ผิดหวังเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าชีวิตเราเนี่ยจะมีแต่ความสมหวังนะั้นเราประมาทลึกแล้วนะแ้่เราคิดว่าเอาละเราจะต้องเจอแต่ความผิดหวังทั้งนั้นนี่เราจะได้ไม่ประมาทจะได้พยายามที่จะปฏิบัติให้รู้จักวิธีการเอาไวเ้เผชิญหน้ากับความผิดหวังเอาไว้อันนี้ถือว่าไม่ประมาทแล้วการมาอยู่ที่นี่อยู่ที่การปฏิบัติที่นี่ละก็เพื่อว่า ให้เรารู้วิธีเผชิญหน้ากับสิ่งที่มันไม่ถูกใจรู้จักวิธีการวางกิตวางใจไม่ให้ใจเป็นทุกเนะี่ยตรงนี้แต่ะรู้จักวิธีการวางใจเมื่อมีความไม่สมหวังเกิดขึ้นในใจเราเราจะแก้ปัญหาอย่างไรด้วยใจไม่ทุกเนื้องการปฏิบัติย่อมมีอุปสรรคต่างๆนานาตรงนี้แหละให้เรารู้ทันด้วยใจไม่ทุกทำยังไง เรื่องาการให้มีสติรู้แล้วก็มีปัญญาละเราก็จะไม่ต้องแบกความปุ๊กลุกซักต่างๆการเจริญสติมันทำให้เราเนี่ยตื่นตัวนะปลุกให้จิตที่มันตื่นตัวที่จ ะ, ะเผชิญหน้ากับปัญหาทำให้เรารู้ความจริงของชีวิตแล้วก็โลกแล้วก็สามารถยอมรับความจรงิงอยู่กับความจรงิงได้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์อ่ะตัวนี้คือผลการปฏิบัติ ผลการปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องไปถามใครถ้าทําผิดมันจะเครียดอึดอัดเบื่อสงสัยฟุ้งซ่านทอแท้หมดกำลังใจนั่นคือทําผิดถ้าทําถูกต้องนี่มันจะเบาๆสบายเบ า, บาแบบผ่อนคลายมันจะผ่อนคลายจะเบาจะไม่เครียดแล้วที่สำคัญก็คือความทุกข์นี่มันจะลดลงเรื่อยๆทุกข์ลดลงแล้วก็ทําได้ถูกต้อง ถ้ายิ่งทำยิ่งทุกข์แล้วก็จะต้องปรึกษาครูบาอาจารย์แล้วต้องสอบอารมณ์ใหม่มันทำไมยิ่งทํายิ่งทุกข์นะผลคือดูได้ตรงนี้แลแหละเอาละเนี่ยก็อนุโมทนากับโยคีทุกๆท่านที่ได้มาสร้างบุญสร้างกุศลในวันนี้ก็ต้องขออวยพรให้กับโยคีทุกๆคนแล้วก็ผู้ที่มาร่วมงานจงมีความเจริญในธรรมมีสติสัมปชัญญะ ที่ตื่นรู้ต่อเนื่องกระตลอดทั้งวันจนเกิดเป็นปัญญามีดวงตาเห็นธรรมนำจิตใจพ้นประสิจากความทุกข์แล้วก็พบความสุขอันไพยบู์คือมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ